ห่างทำต่ออีกเนาะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาการปฏิบัติการปฏิบัติทรรมี่มันมีสูตรกายใจเป็นสูตรมีสติเป็นตัวที่ศึกษาสูตรนี่ เรเรียกให้ถูกต้องก็ได้ว่ารูปนามกลายเป็นรูปใจเป็นนามเรียกให้ถูกจริงๆมันก็ไม่ใช่ใจเป็นนามแต่ไม่รู้จะเรียกอย่างไรรูปนี่มันก็มี สิ่งที่เกี่ยวข้องกับภายนอกบรรยากาศอากาศเย็นมันก็หนาวอากาศร้อนมันก็ร้อนเรื่องของรูปที่เกิดขึ้นกับรูปรูปนามนี่เกิดขึ้นแล้วบลับไปมีแล้วก็หายไปรูปนามนี่เกิดขึ้นแล้ว แต่เก็บตายไปไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่เราจะใช่รูปใช่นามนี่อย่างไรให้มันคุ้มค่ารูปนามนี่นำมาปฏิบัติแล้วก็เกิดความดีมากมายรูปนามนี่ถ้าเล่าถ้าเราไม่นำมปปฏิบัติก็เกิดความ ชั่เป็นทุกข์เป็นโทษมากมายตั <c oughs> <c oughs> ้งแก่ตัวเองและคนอื่นที่เรามีรูปมีนามนี่มาถึงวันนี้เราใช่รูปใช้นามอย่างไรคุ้มค่าไหมอะไรที่ใช่ให้เป็นประโยชน์ต่อรูปเราที่เราใช่เป็นประโยชน์ต่อนาม เราใช่รูปเราใช่นามหรือว่ารูปน้ำมันใช่เราไอ้รูปนี่มันมีวัตถุมีตามีหูจมูกลิ้นใจใจไอ้ลูปในน้ำนี้มันก็มีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงตามันใช่เราหูมันใช่เราจมูกลิ้นกายใจมันใช่เรา ให้ไปติดในรูปในรสในกินในเฉียงปวดเจ็บไข้รด้ปวด่วยเป็นทุกข์เป็นโทษเก่ตัวเองและคนอื่นด้วยแต่ใช่ผิดถ้าเราไม่ใช่มน <c oughs> ให้เราไม่ใช่มันให้มันถูกต้องต่อท่าหัวใจะจะหมูกด่งกายใจ <c oughs> มันใช่เราก็อาจจะมีการผิดพลาดเกิดความหลงความโกรความทุกข์ความลอกความชังเกิดขึ้นที่รูปที่นามให้ผิดมันก็ติดความชั่วติดทุกข์ติดโทษใค้ถูกก็เกิดประโยชน์วันสองวันนี้ไปดูลูกศิษย์ เขาเคยอยู่ที่นี่เคยสมัยเกื้อกกันสร้างวัดป่าสุโกโตนี่ตอนมาม่วงลำใหญ่ต้ไปลิ้นกีพี่เราเห็นอยู่นี่ก็เป็นผลงานของเขาที่เขาช่วยเราปลูกเขาใช้ลูปให้น้าผิดไม่ให้บรรถูกต้องเป็นโลกตอบ โ่ตายไปไปใช่ผิดไปกินเหล้าก็หรือไปทำอะไรที่มันผิดใช่กินเหล้าก็เป็นโรคใช้สูบุหรีก็เป็นโรคตายเพราะเราใช่ไม่เป็นเจ็บแค่หรือป่วยเพราะเราใช่ลูกไม่ถูกต้อง โดจิต劣ตันหาหลาคกาะเกิดโคตรลูปหลงพอหลาแช่น้ำไม่ถูกต้องโดยเป็นทุกเป็นโทษมีนม้ำมีใจก็พึ่งไม่ได้มาคราวนี้เรามาปฏิบัติมาใช่รูปแช่น้ำให้มันถูกต้องมีวิธีใช่ตามหลักุทธเจ้าก่อนที่จะเกิดพระเจ้าขึ้นมาทำอย่างไร สามัญชนแท้ๆทัศนถาเป็นสามัญชนนาปฏิบัติแบบนี้มันเกิดเป็นผู้เจ้าขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยมาศึกษาเรื่องนี้กัอนมีสติไปในกายอยู่เป็นประจำผู้เขียนเข้าเหยียดเขียนออกไม่รู้สึกตัว เวลาคู่เห็นเข้าเหยียดเหนออกรู้สึกตัวมันก็จะเห็นสิงที่เกิดขึ้นกับรูปความดังลำเราเปลี่ยนมันเป็นความรู้สึกตัวให้หมันต่อเนื่องชั่วโมงหนึ่งอาจจะได้เปลี่ยนความผิดมาเป็นความถูกมากมายเปลี่ยนความชุกเปลี่ยนความทุกข์มาเป็นความรู้สึกตัวอีกมากมาย จะเห็นทุกเรื่องที่มันเข้าแถวให้เราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับดำนี้ถ้ามีสติเห็นทุกอย่างก็เอามาเป็นความรู้จักตัวเราเป็นผู้ดูผู้เฝ้าอยู่เหมือนเราพวกบ้านเราเห็นอยู่อะไรที่มาจดมาเราก็รู้จักบางทีก็ไม่ต้อนรับ เพียงที่บรรมาโดยเพราะสตินี่ถ้าสติได้เป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจแล้วนจะยิ่งใหญ่เพราะว่าความรู้สึกตัวเป็นความถูกต้องที่จุดที่มีในกายในใจิตใจนอก่ากความรู้สึกตัวไม่ถูกต้อง เหร อ, อย่างเมื่อเราเห็นอย่างนี้โดยพระความรู้สึกตัวจะเห็นความหลงน่าเคยหลงความหลงเคยใช่รูปใช่านามความสุขความทุกข์มันเคยใช่รูปใช่านามความโกรธความโลภความหลงกิเดสตัณหาหลักะความคิดพุ่งซ่าน มันใช่รูปใช่น้ำคืนเป็นขวนันกับวันเป็นเปลวมันเคยใช่มาความคิดใช่ให้ไหมนอนไม่ได้กินไม่ได้ให้เป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีล้วจึงมามีสติมาจะเคยกินมันเคยกินใช่เหลาสิ่งที่ไม่ใช่สติมันเคยใช่รูปใช่น้ำเราก็จะเห็น เราเห็นเราก็บอกคืนไม่ต้อนรับไม่มีที่อาศัยม่ให้ค่าเป็นงอื่นอดมีสติกับบัง้าเหมือนพระศิรธรเวลาคู่แขนเข้าใ่ฉันออกเมื่อคิดถึงพิมพาก็กลับบงังอาคิดถึงลาหวนก็กลับมา คนเคยมีลูกก็คิดถึงลูกคนเคยมีเมียก็คิดถึงเมียก็เคยมีความโกรธความลักคิดถึงความโกรธความล้กคนเคยมีความสุขคิดถึงความสุขคนเคยมีความทุกข์คิดถึงความทุกข์ก็กลับมามาลู่จุดตัวนี่กายเคลื่อนไหวอยู่นี่อวกาศเป็นวัสดุอุปกรณ์ผิดความลู่จุกตัวเป็นที่ตั้งเป็นมีดเป็นที่เกาะไว้แล้วกลับมาได้ทุกอย่าง อะไรท่มัเกิดขึ้นกับรูป ก, กับนามนอกจากสติกับงานรู้คือความรู้สึกตัวได้ทั้งหมดมาหาดกันอย่างนี้หลงหนึ่งข้างรู้หนึ่งข้างสุขหนึ่งข้างรู้หนึ่งข้างทุกข์หนึ่งข้างรู้เท่ารู้ทันให้มีสติหนึ่งวันจะเกิดอะไรขึ้นสองวันเจดวันจะเกิดอะไรขึ้นให้พิสูจน์เรื่องนี้อย่าไปเชื่อใคร ให้เชื่อการกระทําของตนเองให้ฝึกเอาเองให้รูปออกเองมีกายอยู่แล้วมีรูปอยู่แล้วมาใช่ให้เกิดความรูน้นี่อย่าให้อยู่เฉยๆจับมาใช่ให้มีความรู้สึกตัวตราเรไม่เคยใช่ให้รู้สึกตัวเราใช้ชีวิตที่เป็นรูปเป็นนาวนี่ฟรีเหมือนสุก็ออกไปกินฟรีบรรทุกก็ออกไปกินฟรี มันโกบมันโลกมันหลงก็อเอาไปกินฟรีมันเคลื่อนไหวไปมาเอาไปกินฟรีๆบบ น, นี้เราจะเอามาเป็นความรู้ได้บทเรียนจากที่มันผิดได้บทเรียนจากที่มันหลงได้บทเรียนจากก่อนทุกอะไรต่างๆที่ไม่ใช่ความรู้จุกตัวหัดเปลี่ยนมาเป็นความรู้จุกตัวอาศัยรูปแบบกรรมฐ า, านที่ตั้ง การกระโดงหมดก็ไหว้วะเข้ามาให้รู้สึกตัวรวมหลงกลายเป็นความรู้ได้รวมทุกข์กลายเป็นความรู้ได้รวมเพดอะไรที่เกิดกับรูปกวมนามการไม่เป็นความรู้ได้นี่เหละ ว, ว่าสอนตัวเองฝึกตัวเองไม่ใช่มาเรียนรู้ไว้จำเอาทำให้มันเป็นตัวใครตัวมัน เราหลงเองเราก็รู้เองเราคิดไปเองเราก็รู้เองบทเรียนที่เกิดอยู่กับรู้ ก, กับนามนี่ถ้าเปลี่ยนคือความรู้มันจะเป็นอย่างไรไปไกลไปไกลถึงมรรคถึงผลได้ถ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรูปนาเป็นความหลงความผิดก็ไปไกลถึงนรกเป็นเปรตสุลกาได้ นี่คือคนเรที่เรียกว่ามันหลายอยางไม่เหมือนสัตว์เดรัจานมันติดอะไรก็ได้ลูกนี่นามันติดอะไรก็ได้บางทีไปจริตนิสัยเพราะไปหัดตนเองแลเขาจริตติดการปุงแต่งเกิดจิเลิตัญหา <c oughs> เราสัจริตเกิดโทสะโกรธง่าย <c oughs> ให้ความโกรธคองลูกของนามโมหิจเยดอะไรก็หลงง่ายๆความหลงเกิดขึ้นก็หลงไปเลยควาโกรธเกิดขึ้นก็โกรธไปเลยความลูกเกิดขึ้นก็ลูกไปเลยควมทุกข์เกิดขึ้นก็ทุกข์ไปเลยไม่เคยใช่อย่างไม่เคยใช่ให้ลูก ในอะไรที่มันมีอยู่มันมีลูกอยู่ทั้งทุกอย่างในความหลงมีความไม่หลงในความโกรธมีความไม่โกรธในความทุกข์มนความไม่ทุกข์เราก็ให้มันเอาไปฟรีๆไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้กลับมาเลยทำไม่เป็นเกิดมาถึงวันนี้อันลูกกับความหลงอันไหนมันมากกว่ากัน มีความเป็นธรรมต่อกันไหมรูปนามนี่บางทีรูปเปลียป่ยนนามบางทีนามเปลียบเ่ยนรูปไม่เป็นธรรมต่อกันสิ่งที่จะถ้าเกิดเป็นธรรมต่อกันคือมีสตินี่จะให้เกิดความเป็นธรรมต่อรูปต่อนามมันเกิดเรื่องทางนามคือความคิดก็ให้รู้สึกตัวซะมันเกิดขึ้นทางรูปที่มันเคลื่อนไหวก็ให้รู้สึกตัวซะ จะเกิดความเป็นธรมเอามาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดเนี่ยถ้าลัดลัดตรงนี้จะไม่นานถึงวัยมันมีวิธีลัดศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามนี่โดยเฉพาะวิชากรรมาฐานเป็นวิชาที่ลัดที่สุดเรียกว่าวิปัจสันดาทุละ คันทาตุละก็ไปเรียนเอาจำเอาอาชาหน่อยก็เรียนตามาเรียนมากสมาทิติสมมาสมกับสมมาสมมาทิติสมมาอัะไรจำไม่ได้อันนี้ลูกความจำเป็นลำดับลำดับไปต่อเรียนได้ทุกคน จำได้ทุกคนแต่บ้นทำไม่เป็นกลมหลงไม่ดีใครก็รู้ความทุกข์ไม่ดีใครก็รู้แต่ทำไม่เป็นรู้ว่ามันไม่ดีแต่ยังไปทุกข์โกรธมันไม่ดีก็ยังไปโกรธรูว้ว่าไม่ดีทั้งนั้นนี่คือเรียนรู้วิธีปฏิบัติไม่ต้องไปหาความรู้ให้ขังให้ขังกระทําเกิดขึ้น เปลี่ยนเป็นรู้สึกตัวเนี่ยด้วยวปฏิบัติวิปัจฉนาทุลาราดๆอย่างนี้ไม่มีคําว่าทําหม่ไม่มีคําคว่าผิดไม่มีคําว่าถูกไม่มีคําว่ายากไม่มีคําว่าง่ายแต่เราเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติก็เห็นสติจะเป็นภาวะที่เห็นรู้สึกรู้สึกรู้สึกภาวะที่ความรู้สึกมันมันใหญ่ ใหญ่กว่าความผิดความถูกบันย่ากมันง่ายก็รู้จักตัวผิดก็รู้จักตัวถูกก็รู้จักตัวโกรธก็รู้จักตัวหลงก็รู้จักตัวทุกข์ก็รู้จักตัวก็มาหนีถ้าทําให้เกิดความรู้จึกตัวที่สิ่งไหนที่มันเกิดกับลูกผมน้ำให้เป็นความรู้จึกตัวสิ่งที่มันเคยสุกมันก็จะจืด สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นทุกข์มันก็จะจืดลงไม่มีค่ามีความรู้สึกตัวเหมือนกับสลัดคืนบอกคืนไม่ต้อนรับไม่มีที่อาศัยไม่ให้ค่าให้มีค่าคือความรู้สึกตัวนี่ให้ทําอย่างนี้ใจใจตรงนี้อย่าไปหาคิดหาคําตอบมันมีคําให้ตอบมีการกระทํา เวลาไปคิดพวกขึงซ่อนก็อย่าไปถือว่ามันผิดนั่นแหละเอามาเป็นความรู้สึกตัวได้มาง่วงงงหัวนอนก็ให้มีความรู้สึกตัวบุกตัวเองเวลามัานง่วงมันอ่อนแอ้ามันเข้มแข็งบวมง่วงนอนมาขี้เกียจทางจิตวิญญาณไม่อยากไม่อยากป่าลบความเพียรคือวกัความม่วเอาความมั่วมาใส่เหมือนคนขี้เกียจ คนขี้เกียจอ้างรอดอ้างหนาวอ้างเหนื่อยอ้างหิวอ้างยากอ้างนะอะไรต่างๆเรียกว่าคนขี้เกียจคนขี้เกียจไม่มีคําว่าอ้างใช่ใจเหนื่อยก็เห็นมันเห็นมันเหนื่อยไม่ได้เป็นผู้เหนื่อยมันยากเห็นมันยากไม่ได้เป็นผู้ยาก มันง่ายเห็นมันง่ายไม่ได้เป็นผู้ง่ายบางทีเวลาปฏิบัติอย่าไปหยุดอยู่นี่มันสงบพอพอใจมันพุ่งซ้านไม่พอใจอยากให้มันสงบมันพุ่งซ้อนไม่อยากให้มันพุ่งซ้านเวลาใดที่มันพุ่งซ้อนก็ไม่อยากให้มันพุ่งซ้า น, น, นก็ยากา Dynamic, เป็นความยากเครียดไปเลยเอาความยากเป็นความยากเครียดไปเลยดังนั้นเป็น การมาจุขันน hmm. uh, ี anything, ้การโย่ไม่สำเร็จทําอะไรไม่สําเร็จอ้างไม่มีสติเนี่ยในความยากก็มีความรู um ้สึกต um ัวในความง่ายก็มีความรู้สึกตัวเนี่ยในความผิดก็มีความรู้สึกตัวเนี่ยในความถูกก็มีความรู้สึกตัวนี่มันจะเหนือทุกอย่างไม่ฆ่าจิตที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวหมดฆ่าได้ เมื่อหมดค้ามันก็ไม่มีอร่อยเท่าไม่เกิดภาวะที่เป็นปัญหากับตัวเองง่ายง่ายเปรียงหนี้งลาดไปอย่างนี้ควมหลงแท้ๆได้ประโยชน์คือความรู้จักตัวผิดมาเป็นถูกร้อยมาเป็นดีเรียกว่าปฏิบัติธรรมทุกที่แท้กลับมาเป็นความรู้จักตัว ถ้าทําได้ฉันตับตาบัดเลยกา จ, จะเป็นพุท ธ, ธะตรงนี้ตื่นตรงนี้ได้ถ้ ด, ดูดีๆนะทุกแท้ๆ ท, ทำไมเกิดเป็นพุทธเจ้าทุกแท้ๆ ท, ทำไมเกิดเป็นพระหรหันก็มีนะแต่ปุถุชนเอาทุกมาเป็นทุกพระอริยเจ้าเอาความทุกมาเป็นปัญญาเอาปัญหามาเป็นปัญญา ทำได้นะลูกนี่ทำนี่ได้ปัญญาเพราะกองสังขารคือมันเกิดขึ้นกับรูปกบนน้ำนี่หลายเรื่องหลายอย่างแปดหมื่นี่พันอย่างเกิดขึ้นที่รูปที่ น, น้ำนี่มันจะจบได้นะนี่วิชากรรมฐานมันจะใช่รูปใช่น้ำคุ้มค่าถ้าเราไม่ใช่มันคุ้มค่ามันก็เจ็บเจ็บตายไปฟรีๆเลยทีเดียวไม่ได้ประโยชน์ ยิ่งเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความภาคภจากของล่าของชอบใจเป็นทุกข์ป่าสนามสิ่งใดไม่ได้สึงนั่นก็เป็นทุกข์ค้ามขัดแย้ใจเป็นทุกข์เรามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้ามีความทุกข์อย่างเอาแล้วถ้าเราไม่ศึกษานะถ้าเราศึกษาที่มันไม่มีมันจบได้ เพ็นความหลงเป็นขั้งสุดท้ายได้ความทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายได้ความโกรธเป็นขั้งสุดท้ายได้ต้องทวนกนระเฉาะสักหน่อยถ้ามีความเพียรจนเรามีสติมันก็ละกุศลถ้ามีสติมันก็สร้างกุศลมีสติก็ละความชั่ว มีสติก็ทำความดีมันมาเป็นพวงไปเป็นไปพร้อมกันในข่าวเดียวกันในความหลงแท้ๆได้เป็นความรู้จึกตัวนะมาในข่าวเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่ทำได้ให้มัถูกต้องเหมือนการมีสติไปในกายอยู่เป็นประจำปฏิบัติต่อกายปฏิบัติต่อใจไม่มีคำว่าเสี่ยกถ้าปฏิบัติทำนะ ไม่เหมือนทำภายนอกการทำภายนอกทำงานภายนอกเสี่ยงปลูกข้าวก็เชียงปลูกมันปลูกอ้อยก็เชียงอาชีพทางกายอาชีพภายนอกเสี่ยงอาชีภายในที่ทำได้ในรูปในนามเนยไม่เสียงเลยน่าจะขยันกระตือกระโล่นตรงนี้กันโดยเฉพาะรูปนามเนี่ยเพื่อการนี่โดยตรงมีรูปมีนามเพื่อ มรรคผลที่ผ่านไม่ใช่มีรลูกมีนามเพื่อเกิดเจ็เจ็บตายนะแต่หลงเป็นหลงรับรองว่าเกิดเจ็เจ็บตายเป็นพบเป็นชาติถ้าหลงเป็นลูกอาจจะเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายได้ไปคนละทางทุกเป็นทุกข์ไปจู่ทางต่ํา หลงเป็นหลงไปทางต่าหลงเป็นรู้ไปทางสูงทุกเป็นรูปไปทางสูงสูงจะไปสูงหรือไปตำ่ำถ้าไปต่ำก็ตกนรกถ้าไปสูงก็ถึงมากถึงผลเราจะใช้ชีวิตยังไงสิทธิ์ของเราเนี่ยร้อยเปรเซนต์ทางที่ตอนผู้รู้หรือเราได้เย็นมา ถ้าหลงเป็นหลงไปจูนนรกเท่ากับขนโคถ้าหลงเป็นลูกไปจู่มั่งคนนี้ผ่านเท่ากับขนโคถ้าหลงเป็นหลงไปจูนนรกเท่ากับขนโคเท่าเท่ากันเราจะเปลี่ยนไหมตรงนี้เราจะลูกไหมเราจะเอาไหมชีวิตของเราเันพร้อมแล้วนะวิธีปฏิบัติก็มีแล้ว พุทธเจ้าได้แสดงไว้เม่อกีเราก็สาธยายสัมมาวายาสัมมาสติมันก็คือเรื่องของรูปของนามนี่ไม่ได้ไปเรียนตำราที่ไหนไม่ได้ไปอ่านที่ใดพร้องที่จะฝึกทันทีเลยโดยเฉาะจริงกับรูปของนามแค่ไหนเพีเยงไรจะใช้มันให้สําเร็จประโยชน์อย่างไรรูปนี่นามนี่ หรือว่ารับใช่อันอื่นเมโกรธบางครับใช่ความโกรธเฮยเสียเปียบความโกรธ้าไม่เสียหายก็ยังรับใช่เหมอนกันโกรธที่ไหนก็เหมือนจุดไฟเผาตุ๋อว่า ย, ยังโกรธกันอยู่ไม่เห็ในใครโกรธมีความสุขทมตามความโกรธนี่ดูดีๆใช่ น่าจะกระโดดได้นะมารู้จักตัวมันกระโดดนะตื่นนะรู้จักตัวเนี่ยมันก็ตื่นนะรู้ตื่นเบิกบานนะรู้จักตัวนะถ้าหลงไปหลงแหละคนหลับอะไรก็ไม่รู้ตกบางทีคิดกระตอดตัวเองความคิดแต่แท้ทำให้ตทวนั้นเก็บปวดคนไม่รู้ แลผู้ที่รู้ตื่นนะ่ออนแอเกินไปความคิดทำให้เป็นทุกข์น้ำตาไหลกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่อยากคิดนันก็คิดออกจากวามคิดไม่เป็นมันก็เอามาเป็นเรื่องยุ่งเรื่องจากทั้งทั้งที่เรื่องง่าย เราจึงมาฝึงขัดเพื่อใช้รูปใช้นามให้ถูกต้องให้สำเร็จแม้มันจะเป็นเกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บตายไปรูปนี่เกิดขึ้นแล้วหายไปไมีแล้วหายไปแต่เรามาใช้มันให้เป็นประโยชน์ต่อยอดมันงั้นเกมเกันเจ็บบรรตายรูปนี่นามนี้เรามาต่อยอดให้เอาเป็นมรรคเป็นผลได้ยอดใหม่ มันหลงต่อยอดให้เป็นรู้จึกตัวถ้ามีหลงก็ต่อยอดให้รู้จึกตัวถ้ามีทุกข์ก็ต่อยอดให้รู้จึกตัวถ้ามีอะไรก็ต่อยอดให้รู้จึกตัวนี่ให้ขยันตรงในระดับความเพียรมีจติตติมีสมาธิมีศรัทธาเชื่อ ในการตัดจัลุของพระพุทธเจ้ามีจริงพระพุทธเจ้านี่และมีศรัทธาเชื่อมั่นในวิธีปฏิบัติในธรรมในการกระทำเชื่อมัน่นยกมือขึ้นรู้จักตัวมุคก็ต่าง ก, กับความหลงอยู่โดยเฉพาะวิชากรรมฐานนี่ สติบทฐานฉเอากายเป็นตําลาหนะึ่งยกมือขึ้นพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวหนึ่งความรู้สึกตัวที่มันลู่ขณะที่เคลื่อนมืนนี่มันต้องถามใครนี่คือความจริงต้องมีคําถามไหมพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวยกขึ้นรู้สึกตัวเนี่เป็นความจริงเป็นปรมัดไม่มีคําถาม ใครเป็นคนลู่ก็ลู่เองนี่เรียกว่าปัดจัดตังกลู่ได้ตนเองเป็นอา ก, กาลิกะธรรมไม่มีการมีเวลามีการมีจิต ก, ก, ก็อยู่ที่นี่อะไรที่มันหลงเกิดจากลู่ก็ลู่อะไรที่มันหลงเกิดจา ก, ก, ก, ก, ก, กน้ำก็ลู่แลู่ก็ไม่ใช่หลงแน่นอนทุกก็ไม่ลู่ก็ไม่ใช่ทุกแน่นอนสัมผัส ด, ดู เลือกได้เลือกเป็นวันหนึ่งคือวงหนึ่งสนุกเลือกสนุกศึกษาสนุกได้บทเรียนประสบการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นกับรูปความนามนี่มีประสบการณ์มากมายได้พาดแต่อะไรเอาความหวงไว้หลังเอาความทุกข์ไว้หลังเอาความโกรธไว้หลัง เห็นแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปที่จุดว่าไกลเมื่อไกลก็ทำอะไรไม่ได้ไกลจากข้าศึกเหมือ mm hmm. นข น, นไกง่งูงูมันจะกัดเราถอยออกไปไกลแล้วงูก็กัดไม่ได้ดนู่นควมลงอกไปน้น่น 40ปีนุ่นข้อมโกรธเอาทิ้งไปนู่น40ปีนุ่น50ปีนุ่นรบทุกโกรธทิ้งไปนู่นมันก็ไกลเกลี่ยเลยบางทีฮะจะให้มันโกรธมันทําไม่เป็นแล้วมันทุกมันทําไม่เป็นเพราะว่ามันเป็นในทางนี้มันทําเป็นแบบนี้ งายที่จะไม่ทุกข์ง่ายที่จไม่โกรธง่ายที่จะไม่หลงง่ายที่จะไม่ผุงแฝงหยุดวันสบายปุงมันยากมันโลดที่วิ่งวิ่งได้ต้องหยุดได้นี่คือเสาลัทธิผู้ฝึกบุรุษฝึกคนเราชีวิตเราต้องฝึกขัดลายเรา ใจเราว่าลูกนี่นามนี่ไม่ใช่ขอมาจากใครเราจึงต้องสร้างให้มีประกอบขึ้นมาจิตมันจะเกิดขึ้นก็เพราะการประกอบไปท่องไปจําไม่ได้พลิกมือขึ้นรู้สึกนี่ประกอบอย่างนี้ด้วยความเพียรยกมือขึ้นอย่างนี้วางมือลงอย่างนี้ประกอบมันจึงมีถ้าไม่ประกอบไปคิดเอาไม่ได้ว่าสัมผัสเอา โอ้ผมรื้อตัวกับกองหลงก็ต่างกันอยู่ขอให้สถานที่นี้เป็นที่ฝึกพวกเรายินดีต้อนรับจากให้คนมาแม่แต่เจ้าภาพที่ม่สร้างกติไว้ให้อยู่สร้างเราของมอบผืนแจไปให้วัดถ้ามีคนมาพักบุญออกดอก กตีเขาที่สร้างถ้ามีคนมาพักให้เขาบุญเขาออกดอกได้บุญเพราะมีคนมาพักผู้ที่สร้างกติคิดอย่างนี้ไม่สร้างเพื่ออะไรให้คนมาพักทุกสารทิต ท, ที่มาตัวให้เป็นสถานที่ฝึกพออยู่กันได้จะไม่หนาวบ้าง ก็ต่างกับเขาที่อื่นบ้างพ่อไปอยู่กรุงเทพอื่นหนึ่งไปนอนที่กรุงเทพไปดูลูกจิตป่วยไปตายไปแล้วพปนอน เ, เปิดพัดลมนอนมานี่ต้องห่มผ้ามานั่งนีนก็ต้องห่มผ้าต้องอาจจะหนาวกว่าคนอื่นคนแก่ไม่มีไออุน่นคนหนุ่มอาจจะมีไออุน่นคนแก่ไม่มีไออุน่น อยางเจิดพระหุ่หมในเสี้ยวแต่ยาวความหนาวมาอ้าขอบคุณความหนาวรูปนี่มันหนาวเป็นชื่อว่ามันมีฉั ญ, ญาายานภัยขอบคุณความร้อนรูปนี่มันร้อนเป็นมันรู้จักร้อนมันเป็นสัญญาณไัยเพื่อให้ป้องกันรูปนี่มันหิวเมื่อขาดอาหาร ขอบคุณความหิวเป็นสัญานภัยเพื่อให้ป้องกันมันจะไม่จิบหายอะเรทีงเกิดกับลูกกับน้หน้าขอบคุณมันแน่มาเป็นสุขไม่มาเป็นทุกข์แน่นอนประกาศจิตสลาภาพบด้เลยแต่นี่ไปคำว่าสุขว่าทุกข์ที่เกิดจากรูปจากนามไม่มาเป็นสุขเป็นทุกข์แน่นอนแล้ว ไม่เอารูปกวนนามมาเป็นฉุกเป็นทุกข์อีกต่อไปเด็ดขาดเ <ๆ S 1> <toolbar. S 2> ด็ดขาดจึงไหนะที่เกิดขึ้นกับรูปกุนนามไม่ออกมาเป็นฉุกเป็นทุกข์จะเป็นอย่างไรชีวิตน่งไม่เอาเรื่องที่เกิดขึ้นกับรูปกนุนนามมาเป็นฉุกเรื่องทุกมาเป็นเรื่องสุขเรื่องทุกจะเอามาเป็นปัญญาได้ประโยชน์ ขึนที่มันเกิดขึ้นปัญหาแต่ก่อนเป็นปัญญาเคยจนต่อกายต่อใจเคยทุกข์กับกายกับใจบางทีเอาอะไรมาต่อรองแบบนี้ไปต่อรองกับมันเข้าใจหมดสิ่งที่มันเป็นรูปเข้าใจหมดสิ่งที่มันเป็นนาม นี่รียกว่าชีวิตของมนุษย์ถึงคุณค่าเราจะให้มันเป็นไปนได้ถ้าเราไม่เผยก็มืดแต่ด้านเราจึงไม่ประมาทใช้ให้มันถูกต้องให้มันสําเร็จประโยชน์ มันหลงใช่มันรู้กินจะถูกมันทุกข์ใช่ไม่นรู้กิงจะถู ก, ถ ก, ก, ถกแ้วมันหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์ไม่ถูกต้องแน่นอนแล้วทําได้ในหลงไม่หลงได้ในทุกข์ไม่ทุกข์ได้ไม่เอาความทุกข์มาเป็นทุกข์อะความทุกข์มาเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยเนี่ยคือคือหลักความจริงเปอย่างนีทุกข์เป็นสมมติบัญญัติ ขัวไม่ทุกข์เป็นปรม ต, ตจิตจัคขัวโกรธไปสมมุติบัญญัติขัวไม่โกรธเป็นปรม ต, ตจิตจักมันจริงขัวกันมากมากเลยสัมผัสตัแล้วจึงมีสิทธิเป็นใหญ่มันโกรธแล้วมีสิทธิไม่โก ร, รมธมันทุกข์แล้วมีสิทธิไม่ทุกข์ใช้สิทธิได้เต็มที่เวลามันโกรธไม่โกรธ เวลามันทุกข์ไม่ทุกข์เนะี่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับอะไรร้อยเปอร์จรึงมีความเป็นธรรมต่อรูปต่อนามรูปนามมีความเป็นธรรมสําหรับเพื่อการนี่รวยตรงาการปฏิบัติวันนี้เขาหมดไปแล้ววันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่ ใชชีวิตใช้เวลาเป็นประโยชน์ไหมมาเข้าคลอดกับวัฏฐานมาใช่ให้มันเปิดประโยชน์เนี่ยรู้สักตัวเนี่ยพวกเราที่นี่ก็รับผิดชอบจะกินอะไรก็จะไม่ต้องคิดจะหาให้กินเองใช่ไหมไม่ชีอ้เวลากินจะมีอาหารบนโต๊ะไว้เห็นไหะ <c oughs> ตะขางแป้งแป้ ง, ป ง, ปงไปกินเลยมีชิติเอาให้อิ่มนะถ้่อิ่มก็บอกจามชงศิลน์รับผิดชอบอ่สาสมควนจตเวลากรบพระ อ, องค์กัน